ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรัตคิตาจารย์าศีลังการจนาต่อไปจะเป็นเรื่องของกัปพินาศเปรียบเหมือนบุคคลหนึ่งได้ฟังคนบางคนว่ามหาสมุทรลึกแปดหมื่นสี่พันโยชนคิดว่า เราจะรู้ประมาณแห่งมหาสมุทรนั้นจึงย่อนเชือกยาวเพียงหนึ่งคืบหรือหนึ่งศอกลงไปแล้วก็ไม่อาจจะทราบประมาณอะไรได้แต่ย่อนเชือกยาวแปดหมื่นสี่พันโยธประมาณเท่านั้นลงไปก็พึงทราบได้ฉันใดพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันปุตุชนบอกเช่นท่านไม่อาจจะทราบได้ แต่พระพุทธเจ้าผู้เช่นนั้นนั่นแหละทรงสามารถที่จะทราบเพราะฉะนั้นท่านนิ่งเสียเถิดพระอาจารย์ผู้ท้วงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีหน้างามถ้าเป็นอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นก็ทรงแสดงความเกิดขึ้นหรือความพินาศแห่งโลกจริงในคําว่ากัดนั้นกัดตะศัพท์ใช้ในความหมายว่ามหากัดในความหมายว่าอสงไข่กัด และในความหมายว่าอันธรกับกับก็มีหลายอย่างนะมีอายุกับอีกอย่างหนึ่งอายุกับมหากับอส่งไขกับแล้วก็อันตรกับพวกเทวดาการมจรที่ชื่อว่าโลกะพยุหะก็คือผู้เป็นกระบวนห่งโลกว่าประกาศความเป็นไปของโลกทราบก่อนทีเดียวว่าล่วงไปอีกแสนปีกับจับพินาศ ปล่อยศีษะสยายผมร้องไห้ทั้งน้ำตาหนองหน้าใช้มือสองข้างเช็ดน้ำตานุ่งผ้าสีแดงเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งเพศอันแปลกประหลาดเที่ยวไปบอกในถิ่นมนุษย์อย่างนี้ว่าท่านผู้นีร้ระทุกทั้งหลายจากนี้ล่วงไปหนึ่งแสนปีกลับจากพินาศโลกนี้จากพินาศแม้มหาสมุทรก็จะแห้งแผ่นดินนี้และขุนเขาสินรุจจกแหลกละเอียด โลกจากพินาศจนถึงพรหมโลกท่านผู้เนรอทุกข์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเจริญเมตตาจงเจริญกรุณาจงเจริญมุทิตาจงเจริญอุเบกขาจงบำรุงมารดาบิดาจงประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลนี้ชื่อว่ากัปปะโกลาหนจากนั้นล่วงไปหนึ่งแสนปีเมื่อโลกพินาศเพราะความพินาศด้วยไฟ แรกทีเดียวมหาเมฆที่ยังกลับให้พินาศตั้งขึ้นแล้วหลังน้ำฝนจำนวนมากเป็นก้อนเดียวกันลงมา พ, พวกมนุษย์เห็นฝนนั้นเข้าก็พากันร่าเริงยินดีฝนนี้ก็หลังลงมาเป็นเม็ดจนกระทั่งถึงเท่าลำตาลเลยละ่ะก็มนุษย์พวก มนุษย์ถึงหลายก็พากันยินดีนำมเมล็ดพืชพันธุ์ออกว่านในนาเมื่อข้าวกล้าโตพอโคกัดกินได้มหาเมฆร้องเสียงเหมือนลาไม่ให้หยาดฝนตกลงพื้นดินสักหยดตั้งแต่นั้นฝนก็ขาดไปต่อมาเมื่อฝนหายไปจนหมดในบรรดาสัตว์ทั้งปวงสัตว์บางพวกถึงพร้อมได้เหตุยังชานให้บังเกิดไปบังเกิดบนพรหมโลกบางพวก เพราะกรรมสืบต่อไปบังเกิดในเทวโลกดำรงอยู่ในเทวโลกนั้นจเจริญวาโยกสินสำเร็จฌานย่อมบังเกิดในพรหมโลกอันสัตว์ที่จะพ้นจากอป ร, ประปริยะเวทนยกรรมย่อมไม่มีคือก็ผลหลังก็จะเกิดในพรหมโลกกันหมดก็หลังจากฝนตัดขาดล่วงการไปนานไกลพระอาทิตย์ดวนที่สองก็ปรากฏทำท้องฟ้าให้ปราศจากหมอกควัน และเมฆฝนให้ไร้มนทินใสสะอาดเปรียบดุดแผ่นกระจกทาให้น้าในแม่น้ำน้อยและในบึงเป็นต้นเหือดแห้งยกเว้นแม่น้ำสายใหญ่ห้าสายต่อมาพระอาทิตย์ดวงที่สามก็ปรากฏทำแม่น้ำสายใหญ่ห้าสายคือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอาจิรวดีแม่น้ำสระภูแม่น้ำมาีให้เหือดแห้ง พระอาทิตย์ดวงที่สี่ก็ปรากฏทำสะใหญ่เจดสะคือสะอนดาสะฉัฏทันสะกุณาระสะมันดากินีสะกันณมุนดะสระรัตาระสระสีห์ปปปาตะให้เหือดแห้งพระอาทิตย์ดวงที่ห้าก็ปรากฏทำมหาสมุทรให้เหือดแห้งพระอาทิตย์ดวงที่หกปรากฏประทนจักรวาลทั้งสิ้นให้มีหมอบวันรวมเป็นอันเดียวกัน พระอาทิตย์ดวที่เจ็ดปรากฏกระทาแผ่นดินให้มีเปลวไฟติดเป็นอันเดียวกันเาผาภูเขาสิเนรุภูเขาปริพันธ์ภูเขาหิมพานแล้วเผาวิมานทองวิมานเงินวิมานแก้วมณีเป็นต้นในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชเป็นต้นต่อจากนั้นไฟก็ลุกพลึบขึ้นเผาพรหมโลกชั้นปฐมฌานภูมิแล้วลามไปชั้นอาภาัตรฐม พวกสวรรค์ชันดาวดึงพวกยามาดูสินนาาตนิมันรตีปนิเมิตรวัสวัตติก็ถูกเผาไปหมดแล้ว่นะถึงพรหมมรรคเลยจนกระทั่งถึงชั้นอาภัสระพรหมจั ก, กรวาลหนึ่งนี้ย่อมพินาศไปชั้นใดหนึ่งแสนโกดจักรวาลก็ย่อมพินาศไปเพราะพระอาทิตย์เจ็ดดวงชั้นนั้นแต่ว่าถึงระดับพรหมชั้นที่สามนะก็ชดพรหมชั้นที่หกนะ ความจริงต้องเป็นพรมชนิษฐานเท่านั้นนะปฐมฌานภูมิก็คือชั้นปริศชาชั้นปุโรหิตาแล้วก็ชั้นมหาพรห ม, มานะถ้าเป็นไฟไฟทําลายกับเนี่ยก็จะเผาไปถึงสามชั้นถ้าเป็นพรมทําลายกับก็จะไปถึงปริตะพาอัปภมาณาพ า, พ า, า, พาแล้วก็อภัสสรานะถ้าเป็นลมทําลายกลับก็ไปถึงอปริตะสุภาอัปมาณสุพาแล้วก็เวหัพลา ถึงพรมชั้นที่เก้าเลยนะเมื่อไฟเผาไหม้สิ่งที่เป็นสังขารทั้งปวงแล้วดับไปพวกสัตว์ทั้งหลายนี่ตายไปจุติในทโทวโลกแล้วก็ทาําฌานไปเกิดในพรมหมดแล้วเพราะนั้นก็ไม่ถูกไฟเผานะเมื่อไฟเผาสิ่งที่เป็นสังขารทั้งปวงแล้วดับไปอากาศชั้งบนกับอากาศข้างล่างก็มีความมืดมนทั่วถึงกัน ต่อแต่นั้นล่วงการไปนานไกลบัดเดี๋ยวมหาเมฆก็เกิดขึ้นฝนเริ่มตกเริ่มแรกทีเดียวเป็นเหมือนหิมะตกในแปดวันในระหว่างคือไม่มีระหว่างเลยก็มีฝนตกลงมาเหมือนกับหิมะตกก็จะเริ่มสร้างกลับใหม่ละจากนั้นมหาเมฆก็หลั่งสายฝนลงมาเป็นสายน้ําประมาณเท่ารำข้าวประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารประมาณเท่ า, า, มาเมล็ดถั่วเขียว ประมาณเท่าเมล็ดถั่วราชมาประมาณเท่าผลพุทราประมาณเท่าผลมะขามป้อมประมาณเท่าแตงกวาประมาณเท่าฟักเขียวประมาณเท่าน้ำเต้าประมาณเท่าตัวโคอุสภะหนึ่งตัวประมาณเท่าตัวโคอุสภะสองตัวประมาณครึ่งขาวุธประมาณครึ่งโยตประมาณสองโยต์สามโยต์จนทั่งมีประมาณถึงร้อยโยตประมาณพันโยตตามลําดับ จนเต็มที่ที่ถูกไฟไหม้ทั้งปวงในหนึ่งแสนโกฎจักรวาลแล้วก็หายไปจากนั้นก็ล่วงไปอีกยาวนานน้ำก็ถูกลมแรงพัดกระนาข้างโน้นข้างนี้พัดหมุนไปจนกระทั่งแห้งพรหมโลกก็ปรากฏในที่แห่งพรหมโลกเทวโลกก็ปรากฏในที่แห่งเทวโลกเมื่อน้ำพัดหมุนไปถึงที่แห่งดินร่วน มวลดินก็คือดินที่มีรบชาติก็ลอยอยู่เหนือน้ำเมื่อมนุษย์โรกตั้งอยู่ด้วยดีอย่างนี้แล้วมนุษย์ทั้งหลายจุติจากพรหมโลกเป็นพวกโอปปาติกะเกิดขึ้นดุจพรมมีแสงสว่างในตัวเองเที่ยวไปในอากาศได้ไม่มีเพศหญิงเพศชายไม่มีการกินอาหารมีปีติเป็นอาหารอย่างเดียวมีอายุหนึ่งอสงไข ต่อมาล่วงการไปนานไกลมนุษย์คนหนึ่งใช้นิ้วจิ้มง้วนดินก็คือรถดินนั่นแหละแล้วก็มาแตะที่ปลายลิ้นในขณะนั้นชิวหาวิญญาณก็เกิดขึ้นมนุษย์ทั้งหมดคือสัตว์แต่ระตนก็พากันเคี้ยวกินในครั้งนั้นม้วนดินตรงที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบแล้วย่อมเป็นปกติดังเดิมในขณะนั้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของมนุษย์เหล่านั้น ช่องว่างที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบแล้วย่อมไม่ปรากฏเมื่อการเวลาผ่านไปอย่างนั้นมวลดินตรงที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกเพราะกําลังแห่งตันหาของมนุษย์เหล่านั้นเมือ่อมวลดินไม่ปรากฏพวกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันเคี้ยวกินสิ่งที่อยู่เหนือแผ่นดินก็เรียกว่าเป็นกระบิดินแล้วก็กลายเป็นเครือดินเป็นสะเก็ดดินไปต่อมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของมนุษย์เหล่านั้น สเก็ตดินก็ปรากฏขึ้นมีลักษณะเหมือนดอกเห็ดพวกมนุษย์เหล่าน er> ั้นก็พากันหยิบสเก็ตดินนั nice ้นเคี <S <S ้ยวกินสเก็ตดินในสถานที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบแล้วก็ปรากฏขึ้นมาอีกเมื่อมนุษย์เหล่านั้นพากันเคี้ยวกินสเก็ตดินนั้นอยู่อย่างนั้นรถก็คือสเก็ตดินตรงที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบแล้วก็ไม่งอกขึ้นมาอีกมนุษย์ทั้งหลายก็พากันเคี้ยวกินสิ่งที่มีอยู่ ต่อมาด้วยอนุภาพแห่งบุญของมนุษย์เหล่านั้นเถาวันมีรถชื่อว่าเครือดินก็เกิดขึ้นมนุษย์เหล่านั้นก็พากันหยิบเครือดินนั้นเคี้ยวกินแม้เครือดินนั้นก็สิ้นไปโดยในก่อนเช่นกันในครั้งนั้นเ้าวสาหรีที่เกิดเองก็เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกินอาหารหยาบนั้นเพราะความหยาบคือตัณหาจเจริญขึ้นโดยลําดับแสงสว่างในร่างกายก็หายไป มนุษย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะเหาะไปทางอากาศได้ปกติก็มีชีวิตเหมือนกับพรหมเลยนะเหาะเหมือนเดินอากาศได้ไม่มีการกินอาหาร ม, ม, ม, มีปิติเป็นอาหารแต่ว่าตอนหลังก็บริโภคเจ้าง้วนดินซึ่งมันส่งกลิ่นชวนหอมหวนเนี่ยทําให้เกิดคณะวิญญาณด้วยแล้วก็ไปชิมเข้ามาเกิดชิวหาวิญญาณอ่าผิวพันธ์ต่างๆก็มีผิวพันธ์ที่ดีขึ้นผิวพันธ์ที่ไม่ดีก็มีความแตกต่างกันมีการแท่งเล็ง ด้วยอำนาจของอุโสนก็ทําให้สิ่งที่เกิดเป็นทิพย์จากบุญของมนุษย์เหล่านั้นก็หายไปพวกเครือดินสเก็ต ด, ดินพวกอของที่เป็นทิพย์ต่างๆ ก, ก็หายไปอันนี้ก็มีแสดงอยู่ในอคัญเยสูตรนะในอคัญเยสูตรที่เปรีกายปาสิกวัชก็มีแสดงเรื่องกําเนิดของมนุษย์ต้นกับเรื่องกําเนิดของโลกบรรดามนุษย์เหล่านั้นเหล่าชนที่เป็นบัณฑิต มาประชุมพร้อมกันแล้วพากันบนเมื่อพวกเขาคิดกันอยู่ว่าเมื่อก่อนพวกเรามีแสงสว่างในตัวเองเที่ยวไปในอากาศได้แบบนี้พวกเรากินง้วนดินเพราะกำลังของความอยากเมื่งงวนดินหายไปสะเก็ดดินก็เกิดขึ้นสะเก็ดดินแม้นั้นก็หายไปเพราะกำลังแห่งความอยากของพวกเราที่เคี้ยวกินต่อมาเคร Lyn ือดินเกิดขึ้นเครือดินแม้นั้นก็หายไปเพราะกาลังแห่ง like. ความอยากของพวกเราที่เคี้ยกิน บัดนี้ข้าวสาลีที่เกิดเองได้เกิดขึ้นข้าวสาลีแม้นั้นก็หายไปเพราะกำลังแห่งความอยาของพวกเราที่เคี้ยวกินแสงสว่างก็หายไปโลกทั้งสิ้นก็มืดไปทั้งหมดบัดนี้พวกเราจะทำอะไรพวกเราจะได้แสงสว่างมาได้อย่างไรดวงอาทิตย์ก็ได้เกิดขึ้นในเวนเพนในวันเพน เ, เดือนพักขุนะด้วยกำลังแห่งบุญโลกกฐา ท, ทั้งสิ้นก็เกิดมีแสงสว่างทั่วถึงกัน แผ่นดินทั้งสิ้นเสมอกันดูดพื้นกรองตลอดการประมาณเท่านี้ไม่มีความต่างกันว่าผู้นี้เป็นหญิงผู้นี้เป็นชายแม้บ้านเรือนก็ไม่มีระดูและปีเป็นต้นก็ไม่มีแม้ฝนก็ไม่มีมีเฉพาะพื้นดินเป็นที่หลับนอนของนุษย์เหล่านั้นแม้แต่ผ้านุ่งปกปิดก็ไม่มีน้ำนุต้นกลับก็มีความเป็นทิศนะเพราะนั่นก็บริบูรณ์ทุกอย่างไม่เดือดร้อนแต่ว่ากิเลตันหาก็ทาให เริ่มจะบกพร่องไปแล้วก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาก็เริ่มมีพระทิตที่บังเกิดขึ้นข้ทอที่แรกก็มีแสงสว่างที่ตัวเองก็มองเห็นกันได้นะตอนหนังก็ค่อยๆแสงสว่างหมดไปหมดไปหมดไ ป, ดไปแล้ก็เกิดความรําพึงขึ้นบุญก็ให้ผลทําให้มีพระอาทิตย์เกิดในการที่ดวงอาทิตย์ปรากฏทะเลก็เกิดขึ้นในที่ที่เป็นทะเลตามกําหนดที่เกิดขึ้นในกลับก่อนโดยธรรมดา เป็นจากผู้สร้างหรือผู้จัดแจงภูเขาก็เกิดขึ้นในที่ที่เป็นภูเขาภูเขาศิเนรุก็เกิดขึ้นในที่ที่เป็นภูเขาศิเนรุภูเขาสัตตาบริพันธ์ทะเลสีทันตอนทั้งเจ็ดทวีปทั้งสี่ทวีปน้อยสองพันแม่น้ำสายใหญ่แม่น้ำสายน้อยภูเขาหิมะพานทะเลใหญ่ทั้งสี่ป่าใหญ่มีป่าไม้มะม่วงและป่าไม้ว่าเป็นต้นก็เหมือนกัน ก็คือปรากฏในที่ที่เคยปรากฏอยู่นั่นเองสิ่งใดๆตั้งอยู่โดยอาการใดๆในกัปกรจากนั้นไปก็ได้มีโดยอาการนั้นๆด้วยดังกล่าวมานี้ด้วยประการชนิ้เมื่อสันฐานแห่งโลกทั้งสิ้นกับดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายคิดว่าก็เพราะแสงสว่างนี้เกิดขึ้นทำให้พวกเราผู้มีจิตอัอดถูเกิดความกล้าฉะนั้น จงชื่อว่าดวงอาทิตย์ดังนี้จึงตั้งชื่อสุริยะคือสิ่งที่ทําให้กล้าตั้งชื่อดวงอาทิตย์เนี่ยนะว่าเป็นสิ่งทําให้กล้าเรียกว่าดวงสุรีหรือว่าสุริยะแปลว่าทําให้กล้าส่วนอาทิตตะแปลว่าแผดเผาหรือว่าทําให้ร้อนนะดวงอาทิตย์แม้เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ยังตกไปยังเกิดความมืดอีกมนุษย์เหล่านั้นทั้งหมดก็มาประชุมกันร่วมกัน โดยในที่กล่าวแล้วก็คิดปรึกษากันว่าแสงสว่างที่พวกเราได้มาหายไปแล้วถ้าพวกเราจะพึงได้แสงสว่างแม้อีกก็จะเป็นการดีหนอในขณะนั้นดวงจันทร์พร้อมกับกลุ่มดาวพักคุณะทางทิศเหนือก็เกิดขึ้นกลุ่มดาวนักสัตว์และกลุ่มดาวเคราะห์มีดาวอังคารเป็นต้นทั้งปวงก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนั้นจึงมีชื่อว่าวันเพ็ญเดือนพักคุณะในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนั่นเอง ต่อมามนุษย์ทั้งหลายก็คิดปรึกษากันว่าแสงสวา่างนี้ถือเอาความพอใจและความชอบใจของพวกเราเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจงชื่อว่าจันทะดังนี้จึงตั้งชื่อดวงดวงจันว่าจันทะแปลว่าผู้ทาให้พอใจทำนห้เกิดความยินดีนะพระดวงจันดวงอาทิตย์ปรากฏดิถีก็คือวันทางจันทรคติวันนักษัต เดือนครึ่งเดือนฤดูปีก็ปรากฏต่อมาสิ่งที่สมควรแก่ฤดูกาลก็เกิดขึ้นฝนได้ตกลงมาเมื่อมนุษย์เหล่านั้นกินข้าวสาลีที่เกิดเองอาหารหยาบยังมนทินก็คืออุจจาระและน้ำมูดปัสสาวะให้เกิดขึ้นในร่างกายทางถ่ายอุจจาระและปัสสาวะก็เกิดขึ้นเพื่อให้อุจจาระและปัสสาวะออกมานะก็เป็นวิวัฒนาการนะตามผันแปลไป ของการดำรงชีวิตอยู่ที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมเดือยหน้าของกิเลสนั่นเองเมื่อทวารหนักทวารเบาวเหล่านั้นเกิดขึ้นเพศชายนั่นแหละปรากฏแก่ชายทั้งหลายในกักรกอดเพศหญิงนั่นแหละก็ปรากฏแก่หญิงทั้งหลายเพศนั้นปรากฏพร้อมกับความปรากฏแห่งดวงอาทิตย์เมื่อมนุษย์หญิงชายเหล่านั้นจ้องดูสันฐานแห่งเพศของกันและกันความกำหนัดที่ข่มไว้ด้วยหน้าของชาญในการกอนแต่จะเกิดขึ้นในพรหมโลก ก็เกิดขึ้นคือเคยบำเพ็ญฌานไว้ก่อนจะเป็นเกิดจากพรหมโลกมันก็กดข่มกิเลสความก ำ, ำนัดเอาไว้หลังจากประตื่นที่จากพรหมโลกไปจา ก, จากพรหมโลกมาแล้วมาเป็นมนุษย์จากจุติจากพรหมโลกมาปรฏิญที่เป็นมนุษย์แล้วกําลังเหล่านั้นก็ยังติดตามมานะแต่ว่าหลังจากที่กินอาหารอยาเข้าไปมีอวัยวเพศเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเพ่งอวัยวเพศกันอํานาจของกิเลส องน่าของประตูบนันทึยัปัจจัยก็กลับคืนมานะทําให้มีความกําหนังเกิดขึ้นเพราะกําลังแห่งการอบรมของตนในอดีตดุดไฟที่กลบไว้ด้วยเท่าฉะนั้นมนุษย์เหล่านั้นจึงเสดเมถุนธรรมกันและกันพวกประชาชนผู้ฉลาดเห็นพว้มนุษย์เหล่านั้นเข้าก็ประชุมปรึกษากันว่าสัตว์กระทําอย่างนี้แก่สัตว์ได้อย่างไรนะมาทำสมสู่มาทําอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ดีเลย จึงหยิบเอาก้อนดินและก้อนท่อนไม้เนี่ยก้อนดินและก้อนไม้ท่อนไม้ทุกตีไล่หนีไปมนุษย์เหล่านั้นละอายคิดว่าโอ๋หนอสิ่งปกปิดเทศพึงเกิดขึ้นแก่พวกเราเขาคิดว่าจะทายังไงถึงจะปกปิดปีวะเหล่านี้โอยได้ต้นกัารประพฤติทั้งหลายก็บังเกิดขึ้นในที่นั้นด้วยอนุภาพแห่งบุญของมนุษย์เหล่านั้นอันนี้ด้วยกําลังของกุศลที่ยังมีกําลังในอดีตนะ พอรำพึงถึงอะไรก็สิ่งนั้นก็บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจของบุญครั้งนั้นมนุษย์เหล่านั้นได้หยิบเอาผ้าจากต้นกรลปรปุกมานุ่งหม่มได้หยิบเอาเครื่องประดับต่างๆจากต้นกระปรปุกนั้นมาประดับเที่ยวไปมนุษย์เหล่านั้นได้สร้างบ้านเรือนเพื่อปกปิดกิจกรรมแห่งการเสพเมถุนธทมก็เกิดความละอายเพราะว่าเขาไม่ชอบพอกันไปเสพเมถุนกลางถนนหนทางกลางที่ฐานะต่างๆ ก็เลยสร้างบ้านเรือนขึ้นมานะประกอบที่อยู่เพื่อจะเสร็จในทุตกันเพราะอาศัยการอยู่ร่วมกันของมนุษย์เหล่านั้นทารกทั้งหลายก็เกิดขึ้นแก่พวกผู้หญิงเมื่อมนุษย์เหล่านั้นบริโภครวงข้าวสาลีที่เกิดเองไม่มีแกลบไม่มีรำไม่ต้องหุงรวงข้าวสาลีตรงที่มนุษย์ทั้งหลายหยิบไปแล้วก็ไม่งอกขึ้นเพราะตำลังแห่งตันหาต่อมามนุษย์เหล่านั้นไปยังสถานที่ที่มีข้าวสาลีก็ปรึกษากันว่า การมาแสวงหาข้าวสาลีเป็นประจำลําบากยุ่งยากจึงเกี่ยวไปเก็บไว้เพื่อบริโภคสองสามวันธรรมดาก็มาตัดเช้าก็งอกเย็นมาตัดเย็นก็งอกเช้านะแต่ตอนหลังนี่ก็มาตัดเอาไปเก็บไว้สองสามวันเพราะเหตุที่มนุษย์เหล่านั้นเก็บข้าวสาลีเป็นปัจจัยข้าวสาลีตรงที่ที่มนุษย์ทั้งหลายเกี่ยวไปแล้วก็ไม่เกิดขึ้นอีกและแกลดกับรำข้าวก็เกิดขึ้นมาบางพวกก็ชวนกันไปตัดนะ ก็บอกว่าตัดมาแล้วเผื่อสองสาวันพวกที่ไปที่หลังก็เลยตัดมาเก็บไว้เจ็ดแปดวันเลยบางคนก็กลับตัดมาเก็บเป็นสัปดาห์เลยสองสัปดาห์ก็เลยข้าวสาลีเหล่านั้นก็เลยไม่งอกนะในเรือนหนาของกิเลสที่มีกําลังเพิ่มขึ้นนะแล้วก็มีเปลือกมีรัมมีแกรบติดมาด้วยในส่วนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยมนุษย์เหล่านั้นพากันเพาะพืชพันข้าวสาลีต่อมาก็เกิดการถือกรรมสิทธิ์ว่า ที่ของเราปลูกไว้ที่เราปลูกไว้การปลูกข้าวกล้าก็เกิดขึ้นจากนั้นเมื่อการเวลาล่วงไปก็เกิดการทะเลาะวิวาทกันว่านี้ภรรยาของเรานี้นาของเราสมัยแรกๆนี่ก็ไม่มีเลยนะเป็นสาธารณะกันหมดแต่ภายหลังความยึดถือก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกอุตรากรุลทวีตนี่ก็จะถือธรรมเนียมนี้อยู่นะก็คือไม่มีการยึดถือว่าเป็นของใครวัตถุสมบัติเจ้าขอ ง, ของแม้กระทั่งภรรยา บุตรพวกนี้ก็ไม่มีการยึดถือว่าเป็นของเราก็เลยรักษาสินห้าได้นะล้นล้างความยึดถือนี่แหละจึงรักษาสินห้าไม่ได้ในครั้งนั้นพวกมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตได้กระทําการตกลงกันว่าพวกเราจะกระทําบุคคลคนหนึ่งให้เป็นพระราชาเพื่อตัดสินการทะเลาะวิวาทของพวกเราพวกเราจะให้ข้าวของพวกเราเศษหนึ่งส่วนสิบแก่บุคคลนั้นแล้วได้แต่งตั้งบุรุษผู้ฉราดได้ศึกษามาดีแล้ว สมบูรณ์ด้วยความรู้คนหนึ่งในท่างกลางมหาชนว่าบุรุษคนนี้จะเป็นพระราชาของพวกเราได้กระทาบุรุษนั้นเป็นพระราชาโดยขนานพระนามว่าบุรุษนี้จะมีนามว่าพระเจ้ามหาสมุทรแล้วได้ให้ข้าวแล้วได้ให้ข้าวเศษหนึ่งส่วนสิแก่พระเจ้ามหาสมุทรนั้นก็พระเจ้ามหาสมุทรนั้นคือพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายนั่นเองในกับเริ่มต้นน่ยนะยุคเริ่มตั้งกับเนี่ย พวกมนุษย์เหล่านั้นได้กระทําการแบ่งตระกูลโดยกำหนดตามสมควรแก่มนุษย์ที่เหลือนั้นๆ พ, พ, พระราชาพระยุพราชเสนาบดีอัมมาตทหารผู้จัดเตรียมอาวุธก็คือผู้ที่พร้อมจะรบเพื่ออารักขาชนพวกนั้นควรรับใช้ช่างย้อมช่างหนังและช่างทําลูกศรเป็นต้นได้มีแล้วโดยลำดับ จารีดประเทณีประจำโลกก็ได้มีโดยอาการไม่ใช่น้อยด้วยประการชนี้ก็เริ่มตั้งธรรมเนียมต่างๆจัดชนชั้นอะไรขึ้นมานะแบ่งแยกเป็นตระกูลตระกูลไปก็ในเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดมหาเมฆก่อความวิบัติดับพินาศไปแล้วตั้งขึ้นอีกแล้วไปจนกระทั่งถึงการเกิดขึ้นของมหาเมฆก่อความวิบัติอย่างนั้นอีกนี้ชื่อว่ามหากัปนะตั้งแต่กับพินาศ เมฆก่อความิบัติจนกทั่งถึงมหาเมฆกอความิบัติขึ้นอีกเนี่ยอันนี้เรียกว่ามหากัดแบ่งมหากัดนั้นเป็นสี่ส่วนชื่อว่าสี่อสงไขกัดมหากัดหนึ่งก็มีสี่อสงไขกัดนะเสียสงไขยกัด น, นั่นคืออะไรบ้างท่านจําแนกไว้ว่าสังวัตกัดหนึ่งสังวัตฐายีกัดหนึ่ง วิวัตตะกับหนึ่งวิวัตถายีกับหนึ่งในกล่าวนั้นที่ชื่อว่าสังวัตตกับก็นับตั้งแต่เกิดมหาเมฆก่อคอวิบัติไปจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์เจ็ดดวงปรากฏเผาไหม้มีให้อะไรเหลือแม้เพียงเท่ า, มาเมล็ดพันุ์ประกาศแล้วหายไปนี้ชื่อว่าสังวัตตกับก็คือกับกำลังี่นาศนะอากาศเบื้องบนกับอากาศเบื้องล่างมีความมืดทั่วถึงกันนานมาก ดำรงอยู่ตราบใดนี้ชื่อว่าสังวัตถายีกับก็คือความตั้งอยู่แห่งกับที่พินาศไปแล้วก็ตั้งอยู่เท่ากันเท่ากับตอนที่ไฟทําลายกับนั่นแหละตอนที่กับกําลังพินาศอยู่นับตั้งแต่เกิดมหาเมฆสร้างสมบัติไปจนถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏชื่อว่าวิวัติกับหมายถึงกับที่เริ่มตั้งขึ้นกับที่เริ่มตั้งขึ้นนะ การตั้งกลับขึ้นใหม่แล้วก็นับตั้งแต่ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ปรากฏไปจนกระทั่งถึงมหาเมฆก่อความวิบัติปรากฏจะทำลายกลับอีกแล้วอันเนี้ยชื่อว่าวิวัตถายิกัดก็คือการดำรงอยู่การดำรงอยู่ของกับที่ตั้งขึ้นตอนนี้ถึงจะมีมนุษย์อยู่มีมนุษย์อยู่นะตั้งแต่เริ่ม อมหาเมฆสร้างสมบัติจนกระทั่งถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏนี่ก็เริ่มมีมนุษย์บ้างแล้วนะแล้วก็ถ้าดวงจันทร์ปรากฏไปจนกระทั่งถึงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏไปเนี่ยก็ยังมีมนุษย์อยู่จนกระทั่งถึงอมหาเมฆขอบปวิบัติขึ้นนนี่ก็ยังมีมนุษย์อยูมกันเรียกว่าวิวัตถายีกลับเหล่านี้ชื่อว่าสี่อสงไข่กลับสี่อสงไข่กับอย่างนี้แหละ แบ่งอสงไขยกับคือวิวัตตถายีกับจากสี่อสงไขยกับนั้นเป็นยี่สิบส่วนเป็นยี่สิบส่วนนะส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนจากยี่สิบส่วนนั้นชื่อว่าอันตรกับชื่อว่าอันตรกับเพราะฉะนั้นหนึ่งมหากัเท่ากับสี่อสงไขยกับจึงเท่ากับแปดสิบอันตรกับแปดสิบอันตรกับ หนึ่งอันตรกรัปนั้นหนึ่งอันตรกรัปก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสี่ของมหากรัพใช่ไหสี่อันตรกรัปขอโทษนะครับสี่อันตรกรัปนะสี่สี่จะมีสังวัตรกรัป สังวัตกำปัถายีวิวัตกำปัถายีนะนี่เรียกว่าสี่อสงไข่แต่อันเรียกว่าอสงไข่สี่อสงไข่เนี่ยเท่ากับหนึ่งมหาอากัศแต่ว่าหนึ่งอสงไข่เนี่ยเท่ากับยี่สิบอันตรกัปยี่สิบอันตรกัปอันหนึ่งอันตรกัปก็เท่ากับเศษหนึ่งส่วนยี่สิบของอสงไข่นะ จะหนึ่งจนยี่สิบของอสองไขยหนึ่งอันตรกรัปเนี่ยอั้นในหนึ่งมหากัปนี่ก็เลยมีแปดสิบอันตรกรัปหนึ่งมหากัปนี้เท่ากับแปดสิบอันตรกัปนะก็อายุของพวกมนุษย์ผู้มีอายุสิบปีเพิ่มขึ้นตามลําดับจนมีอายุหนึ่งอสองไขยแล้วอายุนั้นก็ลดลงมามีอายุเหลือสิบปีอีก ระหว่างเวลาเท่านี้ชื่อว่าหนึ่งอันตรกัปอ๋อหนึ่งอันตรกัปเท่ากับเนี่ยอายุหนึ่งอสงไขแล้วก็ลดมาเหลือสิบปีแล้วก็ตั้งแต่อายุสิบปีก่อนสิบปีเพิ่มขึ้นจนทั้งหนึ่งอสังไขแล้วก็ลดลงมาเหลือสิบปีอย่างนี้เรียกว่าหนึ่งอันตรกัปนะแต่ว่ายี่สิบอันตรกัปเท่ากับหนึ่งอสงไขกับสี่อสงไขกับก็เท่ากับหนึ่งมหากัปนะเท่ากับหนึ่งมหากัป ยี่สิบอันตรกับเห็นป่านนี้นับเป็นหนึ่งวิวัตตะถายีกับชื่อว่าอสงไขกับอีกสามตัวนอกนี้ก็เหมือนกันก็คือจะเป็นสังวัตตะกับก็ตามสังวัตตะกับถายีก็ตามวิวัตตะกับก็ตามวิวัตตะกับถายีก็ตามก็มีอายุเท่ากับยี่สิบอันตรกับแปดสิบอันตรกับเป็นหนึ่งมหากับก็ยาวนานมากเลยนะโลกทําลายล้างไป หมดสิ้นแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งแสงโกรธจักรวาลย่อมพินาศและย่อมตั้งอยู่ด้วยดีพร้อมๆกันดังพันาน า, าชาีินี้ชื่อว่าอาณาเขตก็คือเป็นเขตที่พระปริษที่พระพุทธเจ้าท ร, รงแสดงอาตานาติยปริตบ้างรัตนปริษบ้างกรณยเมตตาอะไรพวกนี้บ้างค ร, รบงอบงำหรือว่ามีอำนาจแผ่ไปถึงนี้นั่นแหละชื่อว่าติสหสี พันโลกธาตุขนาดใหญ่นะติาศาสสีมห า, าศาสีโลกธาตุเป็นโลกธาตุขนาดใหญ่คือโลกธาตุที่แวดล้อมด้วยวงล้อมแห่งภูเขาจักรวาลหนึ่งนี้ชื่อว่าโลกธาตุหนึ่งโลกธาตุเห็นปานนี้คูณด้วยพันชื่อว่ า, าศาสสีโลกธาตุขนาดเล็กก็คือพันจักรวาล น, นั่นเองแดนเขตแดนอันเป็นวิสัยของพระสาวกทั้งหลายมีประมาณเท่านี้ เมื cared, book, ่อแบ่งโลกธาตุแต่ละโลกธาตุในพันนั้นเป็นโลกธาตุละพันแล้วคูณด้วยพันชื่อว่าทวิศาสศีโลกธาตุขนาดกลางโลกธาตุนั้นเป็นสิบแสนโลกธาตุสิบแสนก็คือล้านโลกธาตุนั่นเองก็คือเป็นทวิศาสศีโลกธาตุขนาดกลางนะก็เมื่อแบ่งแต่ละโลกธาตุในสิบแสนโลกธาตุนั้นเป็นโลกธาตุละสิบแสนแล้วคูณด้วยสิบแสน ชื่อว่าติสหัสสีพันโลกธาตุติสาสีมหาสาสีโลกธาตุเนี่ยนะเป็นโลกธาตุอย่างใหญ่อันนี้เป็นแสนโกดจักรวาลฐานะนว่างเปล่ามีสิบสองราศีกับอีกหนึ่งฐานะจึงรวมเป็นสิบสามฐานะสิบสามฐานะนั่นแหละชื่อว่าหนึ่งแสนโกดจักรวาลเป็นติสาสีมหาสาสีโลกธาตุอันนี้ก็ เป็นเป็นวิสัยเขตไปแล้วอยู่ในช่วงวิสัยเขตแต่วิสัยเขตนั้นกว้างขวาง ม, ม, มีประมาณไม่ได้ในวันที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายจุติจากดูสิตสวรรค์มาถือปฏิทนที่ในพระคั์ของพระมารดาในพบสุดท้ายในวันที่ประสูติจากพระคันของมารดาหรือว่าในวันที่ตัดสู้ในวันที่ประกาศพระธรรมจารย์หรือว่าในวันที่ปรองพระชนมายุสังขาร และในวันที่เสด็จดับขันธปรินิพานหมื่นโลกธาตุย่อมหวั่นไหวอาณาเขตที่หวั่นไหวนี้นั่นแหละชื่อว่าชาติเขตแต่ว่าแค่หมื่นนะแค่หมื่นโลกธาตอุอยู่ในช่วงของอาณาเขตเพราะว่าอาณาเขตนี้อนณาเขตนี้ร้านโลกธาตุนะเป็นขอระโทษแสนโคตรจุติวันชื่อวาอาณาเขต แต่ก็จิกรวาลส่วนาณเขตน ะ, ะต้องต้องเป็นติศาสีมหาศาสีเป็นอาณาเขตแต่วิสัยเขตนั้นไม่มีที่สุดในช่วงที่พระพุทธเจ้าถือพระตินทิก็าตามประสุตธิกาตามปฏิรู้ประกาศธรรมจกักหรือว่ากรมพระชนมยุทสังคารว่าเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ย หมื่นโลกธาตุเนี่ยต้อมวันไหวอันนี้เป็นอยู่ในช่วงของอาณาเขตนะซึ่งอาณาเขตจะมีประมาณแสนโกดจักราวาลเป็นประมาณแสนโกดจักราวาลแต่ว่าของหมื่นจักราวาลหมื่นโลกธาตุเนี่ยนะหมื่นโลกธาตุวันไหวอันนี้เรียกว่าชาติเขตชาติเขตโลกธาตุประมาณหนึ่งแสนโกด ชื่อว่าติสหสีพันโลกธาตุขนาดใหญ่ก็คือพันกุลพันกุล พ, พันนะนะพระตถาคตเมื่อทรงหวังฐานะประมาณนี้ก็พึงทรงกำจัดความมืดแผ่พระโอภาจากพระวรกายไปให้ได้ยินพระสุรเสียงฐานะประมาณนี้ชื่อว่าอาณาเขตอาณาเขตนี้เท่ากับแสนโกศชกาวาลเป็นอาณาเขตของพระกุ้มีพระภาคเจ้า ส่วนอนุภาพแห่งพระปริศทั้งเจดนี้คืออานาตาอานา ต, าติตยสูตรอาตานาติยสูตรนะอาตานาติยปริสนี้นเมตตาสูตรทชักค ร, ร, ร, ระปริตโคชังพระปริศขันธปริตโมระปริศรัตนปริศของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมแผ่ไปในที่ประมาณเท่านี้ก็คือในอาณาเขตเนี้ยแสนโกศกวนนี้ จักรวาลอันหาที่ตุดไม่ได้กําหนดประมาณมิได้ชื่อว่าวิสัยเขตเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเขตสามในว่าพุทธเขตนะนะเขตต่างก็คือถ้าเป็นหมื่นจักรวาล น, นี้เป็นชาติเขตวันไหวนะหมื่นจักรวาลแล้วก็แสนกฏจักรวาล น, นี้ก็เป็นอาณาเขตอนุภาพของพระบริศทั้งเจ็ดนี้ย่อมแผลไปส่วนวิสัยเขตนั้นกนําหนดประมาณมิได้เลย พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงเสด็จไปยังฐานะประมาณเท่านี้ธรรมดาว่าประเทศที่มิใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีเพราะท่านกล่าวไว้ว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงจำนงหมายประมาณเท่าใดว่าสิ่งที่พึงรู้มีเท่าใดพระญาณก็มีเท่านั้นในความที่ประเทศที่ไม่ใช่วิสัยของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่มีนั้นอาจารย์ทั้งหลายย่อมนำข้ออุปมาณนี้มาดังต่อไปนี้ ก็คือไม่มีประมาณนะ ท, ที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจะรู้แล้วไม่รู้นี่ไม่มีเลยนะแล้วก็แบ่งเขตออกเป็นสามเขตนะชาติเขตหมื่นโลกธาตุอาณาเขตแสนโกจกวาลหมื่นโลกธาตุก็คือหมื่นจักรวาล น, นะแล้วก็วิสัยเขตนั้นไม่มีที่สุดส่วน อ, อสําหรับโลกธาตุเนี่ยถ้ามีการจําแนกสามระดับก็คือโลกธาตุขนาดเล็กพันจักรวาลโลกธาตุขนาดกลางก็ แสนโคตจักรวาลเป็นพระกลางนะทวิสาสตร์สีส่วนพันจักรวาลเป็นศาสสีทวิศาสสีเป็นแสนโคตจักรวาลซึ่งก็คืออนาเขตนั่นเองอ่าแต่ว่าชาติเขตเนี่ยอยู่ร่วมกับนาเขตซึ่งเป็นทวิอยู่ในระหว่างทวิศาสสีโลกธา ต, ตุส่วนติศาสีโลกธาตุก็ติสาสีโลกธาตุกับแสนโคตจัรกรวาลนะ เป็นอนาเขตสิถ้าทวีศาสีโลกธาตุนี่แค่ล้านจักรวาลติศตสีโลกธาตุล้านจักรวาลถ้าเป็นโลกธาตุขนาดเล็กพันจักรวาลโลกธาตุขนาดกลางล้านจักรวาลโลกธาตุขนาดใหญ่ติสาสีมหาศาสิโลกธาตุนี่ก็แสนโกฏจักรวาลซึ่งเป็นอนาเขตเท่านั้นเองแต่ว่าวิาสัยเขตพระพุทธเจ้านี่ไม่มีประมาณเลยก็มีอุปมาดังต่อไปนี้ว่า ถ้าใ ค, ใครจะพึงขนเมล็ดพันธุ์ผักกาศทีละเมล็ดใส่ในจักรวาลแต่ละจักรวาลในทิศตะวันออกให้เต็มด้วยเมล็ดพันธุ์ผักกาศทั้งหลายในแสงโกดจักรวาลจนถึงปรมโลกเมล็ดพันธุ์ผักกาศเหล่านั้นจะพึงสินงส้นจะพึงถึงความหมดสิ้นไปบุคคลผู้ขนเมล็ดพันธุ์ผักาศมาใส่ไม่พึงพบความสิ้นสุดแห่งจักรวาลทั้งหลายในทิศตะวันออกเอาแค่ที่ทตวนออกอย่างเดียวนะ เึ่งเห็นอยู่ในจักรวาลทั้งหลายทางด้านทิศใต้ทางด้านทิศเหนือทิศตวันตกก็ในเดียวกันอันประเทศที่มิมใช่วิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมไม่มีเอาเมล็ดพันธุประกาศนี่มาใส่ในจักรวาลทั้งหลายเนี่ยทางทิศตนออกทิศเดียวนี่ก็เมล็ดจักรวาลก็ไม่มีเหลืออยู่เลยจ้าที่ไหนมาขนที่ไหนมาที่ไหนมามันก็หมดไปเพราะว่าจักรวาลนั้นเป็นอนันตะ์ไม่หมดหรอกไม่สิ้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะ รู้จักรวาลเหล่านั้นได้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วพระอานนทเทระคิดว่าก็โลกนี้ปราศจากความเสมอกันจักรวาลทั้งหลายหาที่สุดมีได้ในบรรดาจักรวาลเหล่านั้นพระอาทิตย์ขึ้นในที่แห่งหนึ่งในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลากลางวันในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาพระอาทิตย์ตกในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาปฐมยามในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลามัชิมยามในที่แห่งหนึ่งเป็นเวลาปัตชิมยาม ในสถานที่เหล่านั้นในที่ใดสัตว์ทั้งหลายขวนขวายทําการงานสนใจในการเล่นขวนขวายในการจะนอนขวนขวายในการรับประทานอาหารก็อย่อมจะเป็นผู้ฟุ้งซ่านและประมาทด้วยเหตุเหล่านั้นอย่างนั้นพระศาสดาจะพึงให้ได้ยินเสียงได้อย่างไรน้อแลดังนี้จึงทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าอานนท์สถากแผ่แสงสว่างไปจากสรีระพระอานนท์ทูลถามว่า พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงแผ่แสงสว่างไปทำอะไรทำอย่างไรพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าพระอาทิตย์ปรากฏในที่ใดพระตถาคตจะทรงทำให้พระอาทิตย์นั้นตกในที่นั้นด้วยอนุภาพของเราส่วนในที่ใดพระอาทิตย์ไม่ปรากฏตถาคตพระตถาคตก็จะทรงให้พระอาทิตย์นั้นขึ้นแล้วตั้งไว้ในเวลากลางวัน ในครั้งนั้นในที่ใดพระอาทิตย์ไม่ปรากฏพวกมนุษย์ในที่นั้นก็จะเกิดความวิตกขึ้นว่าเมื่อสักครู่นี้พระอาทิตย์ยังปรากฏอยู่บัดนี้พระอาทิตย์นั้นตกไปแล้วเหตุนี้เป็นการบันดาลของนาคหรือการบันดาลของผู้ผีการบันดาลของยักษ์หรือว่าการบันดาลของเทวดาผู้ใดผู้หนึ่งตัวในที่ใดพระอาทิตย์ปรากฏพวกมนุษย์ในที่นั้นก็จะเกิดความวิตกขึ้นมาว่าพระอาทิตย์เพิ่งตกไปเดี๋ยวนี้เอง ราศีดวงเดียวกันนี้ก็กลับขึ้นมาอีกในบัดนี้เหตุนี้เป็นการบันดาลของนาคเป็นต้นผู้ใดผู้หนึง่งแต่นั้นเมื่อมนุษย์เหล่านั้นพากัน ร, รำพึงถึงแสงสว่างและความมืดพระผู้มีพระภาคเจ้ า, จาทรงเปล่งรัศมีของพระพุทธเจา้าหกสีก็คือฉพัพพรังสีกระทำให้มีแสงสว่างถึงกันพร้อมๆกันดุดเวลาพระจันทร์และพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมๆกันพันดวงณทรงเปล่งแสงสว่างนั้น จากกายภาษาทะประมาณเท่าเมล็ดงาเท่านั้นนะเอาส่วนของพระกายแค่เมล็ดงาเท่านั้นเองเพาว่าแสงสว่างเหมือนกับพระที่เป็นพันพันดวงเลยก็ผู้ใดพึงบันดาลแผ่นดินทั่วทั้งจักรวาลให้เป็นกระเบื้องประทีปก็คือเป็นตะเกียงบรรดาล น, น้ําในมหาสมุทรให้เป็นน้ํามันบันดาลภูเขาสีนรุให้เป็นใส้ประทีปจุดวางไว้บนยอดภูเขาสีนรุลูกอื่นผู้นั้นพึงกระทําให้สว่างได้ในจักรวาลเดียวเท่านั้น แต่ไม่สามารถจะทำพื้นที่แม้เพียงคืบเดียวนอกไปจากนั้นให้สว่างสวัยได้ส่วนพระตถาคตทรงเปล่งแสงสว่างจากส่วนแห่งพระสรีระประมาณเท่าเมล็ดงาทรงกระทำติสหศีพันสหศีโลกธาตุคือโลกธาตุขนาดใหญ่ให้สว่างทั่วถึงกันหรือให้ยิ่งกว่านั้นสัตว์ทั้งหลายเห็นแสงสว่างของพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ทรงประกอบด้วยพระพุทธคุณทั้งหลายมากอย่างนี้ผู้ทรงมีอนุภาพกําหนดนับไม่ได้พาการประคองอัญชรียืนนมัสการด้วยกล่าวว่าบุคคลใดบันดาลให้พระอาทิตตกและบันดาลให้พระอาทิตย์ขึ้นบุคคลนั้นเป็นมหาบุรุษบัดนี้กระทําให้มีแสงสว่างปรากฏอยู่เป็นบุรุษที่น่าอาศัศจรรย์ครั้งนั้นพระตถาคตจะทรงประกาศให้ได้ยินเสียงการแสดงธรรม ก็บุคคลใดกระทำภูเขาจักรวาลลูกหนึ่งให้เป็นกลองกระทำพื้นแผ่นดินใหญ่ให้เป็นหนังกลองกระทำภูเขาศีรุให้เป็นไม้ตีกลองยืนอยู่บนยอดภูเขาศนรุลูกอื่นบุคคลนั้นพึงให้ได้ยินเสียงนั้นในจักรวาลหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถจะให้ได้ยินเลยนั้นไปแม้เพียงครึ่หนึ่งส่วนพระตถาคตประทับนั่งบนบันลังเดียว พึงให้ติสหสีมหาสหาสีโลกธาตุก็คือมาโลกธาตุอย่างใหญ่ได้ยินเสียงหรือจะให้ได้ยินยิ่งกว่านั้นก็ได้พระพุทธรักษิตาจารย์ย่อมแสดงฐานะประมาณนี้เป็นวิสัยเขตนั่นเทียวด้วยคำนี้ว่าพระตถาคตทรงมีอนุภาพมากอย่างนี้ก็เพราะได้ฟังการบรรลือของพระพุทธเจ้านี้แลพระ อ, อนอนเทระก็เกิดปีติขึ้นในภายใน ถ้าอนอนเทเถระนั้นเปร่งอุทานด้วยกำลังแห่งตีติว่าเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ได้ถือบาจีวรของพระศาสดาผู้เห็นปานนี้เที่ยวไปที่ได้กระทําการบีดนวดพระบาทที่ได้ถวายน้ําล้างพระพักและน้ําสงที่ได้ปัดกวาดบริเวณพระพันทกุดีที่ได้ทูลถามปัญหาในข้อสงสัยที่เกิดขึ้นและที่ได้ฟังธรรมมีคาถาอันไทเราะ แม้ทั้งหมดเป็นลาภของข้าพระองค์เป็นโชคของข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์มีพระศาสดาผู้ทรงมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้พระเถระเกิดความเลื่อมใสในเทศนาของพระศาสดาอย่างนี้เพื่อจะแสดงข้อความนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ณพระเชตวันทรงแสดงอนุระวดีสูตร ทรงแสดงอะรุณวดีสูตรนี้ในท่ามกลางบริษัทสี่ในวันเดือนในวันเพญเดือนวิสาขะจึงกล่าวว่าอัภุกขาตายัสคุณาอนันตาติพุทธเขเตเตกะดิวาการโรพระพุทธเจ้า พ, พระองค์ใดทรงมีพระคุณทั้งหลายอันหาที่สุดมีได้ฟงไปแล้วว่าทรงเป็นดวงอาทิตย์หนึ่งเดียวในพุทธเขตทั้งสาม รุณว่าดีสูตรนี้ก็อยู่ในอังคุตระมกิการติกานิบาศนะทั้งพร้อมตั้งอัตถกถาก็ไปศึกษาดูรายละเอียดได้ในที่นั้นอย่างละเอียดวันนี้ก็สมควรแต่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายผู้เป็นสาธุชนผู้พร้อมปั้งพร้อมอบรมตรายศึกษาเพื่อความเป็นอริยชนให้มีศรัทธาภาษาธะแล้วก็อบรมตรายศิกษาให้พ่อคูณบริบูรณ์ยิ่งๆขึ้นเพื่อความบริบูรณ์พร้อม แห่งผู้ที่ถึงพร้อมแห่งไตรจักขาก็คือเป็นพระคาถาคณีเป็นพระนาคณีแล้วก็เป็นพระอัฏฐานในที่สุดคอยท่านั้งหลายพ้นจากวัตฏะทุกทั้งปวงด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ